ต้องกัดไปมากฝับหลังมันมันโกหกว่าไวถูกเคอยู่แล้วมันเดือดร้อนหลายใหญ่อากกันไปเบิกเงินมาไว้บ้านจนมาจี้เอาไปกิน <c oughs> นะเชื่อฝลังมากเกินไป <c oughs> สิ่งใดที่มันแก้ไขได้ว่าแก้ไขได้นั่นเขาตืน่นเถอของใหม่ของเขาเป็นใหญ่อย่างนั้นอะความจริงได้วันเดือนปีพุทธิเจ้าตราดว่าวันเดือนปี มันไม่ดีๆไม่ได้ชั่วทั้งนั้นอ่ะที่ดีชั่วมันอยู่ที่คนต่างหากล่ะคนทำดีใส่อย่างแล้วมันก็ดีแน่นะวันทิศกับวันจันทร์เนั้นน่ะวันหรือวันวันวันมืดกับวันแจ้งเท่านั้นน่ะสองวันเท่านั้นน่ะนี่เ้าเลยคำนวณเอาหมอโหนไหวอย่างนั้นอย่างนี้คนสุดท้ายก็เลยพิรัะไปแต่หลักั้งพุทธศาสนานั้น ก็ว่าห้ปฏิเสธทั้งหมดก็เชื่ออยู่บ้างแต่ก็ยะมันร้อยเปอร์เซ็นต์ัดบางคนก็โอ้ยเมื่อปีปีเกา่ามันดีปีใหม่มาปีข้างหน้าคงต่อไปนะ้าคงจะดีแล้วเงนเราไ่ต้องถ้าบอกพี่นะตัวเองแล้วมาได้นนความแหละวันเดือนปีไม่จะทำอะไรให้ใครได้มนุษย์ทั้งหลายนี่ยทำเอาเองแต่ครั้งสอนพุทธศาสนาพุทธิย่อสอนให้เราเชื่อกำไม่เชื่ออย่างอื่น ก็การกระทําของตัวเองนั่นแหละเราจะเอาดีหรือจะช่วยอยู่ที่เราเท่านั้นเนี่ยให้สร้างเอาทําเอาประกอบเอาีะมานั่งนอนให้มันเป็นเองไม่ได้นี่หลักการทั่วไปที่พระเจ้าวางไว้ให้ให้แต่ละคนละคนสํานึกว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาต้องแก่ต้องเก็บค่าปรโยนและตาย อ, อันนี้หลักที่ให้มนุษย์ทั้งหลายสํานึกแล้วก็ ตายแล้วก็เกิดไม่ใช่ตายแล้วผุ้ลุนทำไมจึงเกิดเป็นจาวะทะจิตใจของมนุษยนั้นยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ต้องเกิดหมายถึงมีการมาพบรูปพบอารมณ์พ บ, พบในใจแล้วมันต้องเกิดกามาพบเหมัอนทั้งหมดจิตใจของมนุษนั้ยังมีความรักยังมีความชังอยู่ตามใดตายก็เกิดนี้มันจะเกิดเป็นอะไรนะเอาอีกอันเพราะว่าถ้าว่าใจนะั้นเป็นกูรศน มันก็เกิดในฝ่ายที่เป็นทุกขต์ติถ้าเป็นอกุศลก็เกิดในทุกขต์ติในรก8ปิดากายในชานอันนี้เป็นสิ่งที่ปริยาพยากรณ์แล้วบอกไว้ให้อันนี้มนุษย์ทั้งหลายบางพวกบางเราก็เรียนศึกษาอะไรนานเข้านาะเขียยไปเขี่ยมาเขี่ยทำลายมากเข้ า, า ย, ยิ่งสงสัยมากกับานั้นบางคนมาเชื่อบุญมาเชื่อบาปมาเชื่อนรกมาเชื่อสวรรค์ก็ได้แนั้นหลักการเขาเปริยาจึงสอนว่า ให้ปฏิบัติให้ใจคนตัวเองเข้าถึงไม่ใช่เป็นเพียงว่าเอาสมองไจวจําหรือไปคิดคน้นหาเหตุหาผลแค่นั้นมาได้ต้องให้ใจเข้าถึงจากตัวตัวไปอันดับแรกว่าให้ทําใจเบื้องต้นนั้นเพียงแต่สามารถทําใจเป็นสมาธิเบื้องต้นเท่านั้นะความลังเลสงสัยต่างๆมันก็จะหายไปยาทางมรรคทางผลที่ปริญญาสอนว่าไปบุคคลชั้นต้น สักการที่ถือวิธีกิชาศิลปะปะวัติาสตรอันนั้นเป็นเครื่องรัถอนปล่อยวางได้นี่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่ทําให้เกิดมีขึ้นมีตาพามคนหนึ่งไปถามพุทธเจ้าไหนเล่าพุทธเจ้าฟัง ว, งวง่าข้าพระ อ, องค์งหลายได้ยินได้ฟังจากบันินักการบางพวกบางเหล่าว่าทําบุญในบุญทําบาปได้บาปบางพวกบางเราทําทบุญก็ไม่ได้บุญทํำบาปก็ไม่ด้คุณพ่อไม่มีคนแม่ก็ไม่มี โรคนี้มีโรคหน้าก็ไม่มีเหมงอนกันพระจากระโอมันก็เป็นหน้าที่ของท่านทางจะต้องสงสัยล่ะเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่เห็นนี่มี่ถ้คนอื่นเขาเล่าให้ฟังนีถ้าเปรียบเทียบในฝ่ายนั้นก็ต้องอาศัยความเชื่อเป็นหลักถ้าไม่เชื่อแล้วก็เป็นถึงว่าปฏิเสธละ่ะตัวอย่างเช่นว่าผู้ใดผู้หนึ่งเกิดวันไหนพ่อแม่เขาจํามาไว้บอกว่าเธอเกิดวันนั้นนะบั้นนั้นนั้นก็ต้องเชื่อพ่อแม่นั่นแหะ ไม่ปฏิเสธเพราะงันทีนี้นพเจ้าก็เออทางที่จะให้แก้สงสัยก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีทายแก้แก้สงสัยได้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ท่านหนึ่งต้องทําเองเรียกว่ามีธรรมชนิดหนึ่งเรียกว่าสมาธิเกี่ยวว่าให้ทําใจตัวเองให้เป็นสมาธิให้สมาธิเกิดขึ้นในจิตให้ได้จึงจะหายสงสัยนี่จำบอสามารถที่ เหาไปดูนรกเจอสวรรค์ที่ไหนก็ไล้แต่ว่าความเห็นความคิดในใจเนี่ยมันมีหลักฐานไม่เชื่องม ง, งายแล้วไม่โลเลฉะนั้นผู้ใดต้องการจะให้เข้าถึงอย่างฉันมัต้องฝึกหัดเรียนธรรมทะทรโมทให้มันมีหลักก็ต้องทําให้มันเกิดทำให้ขึ้นในใจไม่ใช่จําเอาจําเอาจําแล้วค่อยจำแ่อยจํานี่กว่ารู้มากยาก น, านั่น ไปจำอของท่านมาแล้วกเอาพูดเอาของท่านน่ะไปพูดคราวนี้เรามันไม่มีว่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันศีลศีล ส, สีสมาทานทานนานนี่นในศีลข้อเราใจของเรายังไม่สงบเป็นสมาธิศีลมันก็ไม่มีมี่เจตนาสมาทานไปเท่านั้นแต่ว่าใจสงบลงเป็นสมาธิเรามันศีลเกิดขึ้นแล้วสมาธิเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าหลักเหตุผลอยู่ภายในใจนี่ ไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นต้องเอาที่ตัวเองคําสอนทางพุทธศาสนาที่พระเจา้าสอนไว้สอนนั่นก็ดูเป็นแผนที่เป็นแผนผังไปดูแผนผังมาแล้วก็ต้องมาพิสูจน์อันนั้นจริงหรือไม่จริงจำเบนนอกให้เข้าถึงเอาตัวอย่างเช่นว่าให้ใจของเราเข้าถึงพุทธธรรมประสงค์การเข้าถึงเพียงปัญญาตน อาครปิจาขอถึงพุทธิจารเป็นที่พึ่งขอถึงวัปปิทิธรรมภาธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงภาสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันนั้นเป็นเพียงคําปฏิ ญ, ญาณเท่านั้นยังไม่ถึงเพราะว่าถึงข่าวเขาจริงจริงมันกาบมันไหวได้ทุกอย่างกาบไหวต้นไม้ต้นไม้หลวงกวงไหม่ไหม่มันกาบมันไหวทั้งนะั้นซึ่งมันเป็นทางให้เศร้าหมองแกพระรัตนตรยัย อาจใจยังไม่เข้าถึงแล้วมันไม่เชื่อแนวเนี่ ย, ยถึงกัปฏิยาณนั้นการรับรองวัตที่จว่าตอนที่อคีตั์มันสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาไปนับถือต้นไม้ภูเขาให้เข้าถึงต้นไม้ปฏิยานตนถึงพุทธต้นไม้ภูเขาได้จะเป็นที่พึ่งเป็นให้ผ่านทั้งหลายพ้นทุกข์พระจ้าถามว่ท า, วาวท่านสอนลูกศิษย์อย่างนั้นเหรอ อากีท่ากระบาดซ้อนอย่างนั้นพุทธิจักก็รับรองแล้วว่าก็พอเป็นที่พึ่งได้อยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งกระเสียมนะไม่ใช่เป็นที่พึ่งแท้ๆนะเป็นที่พึ่งปลอมๆนะพึ่งได้บ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้พึ่งในแท้เงือพุทธิจักรตำสันเสริญและตําหนิ่อะไรอย่างนี้เขาบอกที่พึ่งใหม่บอกว่าการที่ จะให้เป็นที่พึ่องอย่างกเกษมอย่าให้ถึงเขือนความสุขแท้ๆจริงๆนั้นต้องเข้าถึงพพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์แล้วพนทีย่ำไม่ได้ว่าเป็นแค่นี้การเข้าถึงพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเชื่อว่าเป็นที่เพืองอย่างจริงจังนั้นต้องมีงว่าผู้นั้นต้องได้บัรลุมักขันต้องมีจิตเห็นอริยสัจสี่ปฏิบัติให้ใจเกิดมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมานั่นจึงจะเชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรมะ พอเข้าถึงธรรมะแล้วเข้าถึงพุทธะเข้าถึงสังฆะเพื่ออยู่ที่ใจเข้าถึงต่างๆไม่ใช่ถ้าว่าใจเข้าถึงแล้วมันไม่หวั่นไหวเลยทีอย่างที่ท่านว่าอไอบ้บุคคลชั้นต้นหรือบคุคคลที่ได้จิตเป็นสมาธิแล้วเบื้องต้นมันใจไม่หวั่นไหวในสิ่งต่างๆใจแน่วแน่ในกรรมในผลของกรรมเนี่ แน่ๆนะพุทธธรรมสงค์ไม่กาบไม่ไหวคนอื่นล่ะกาบพระพุทธธรรมพระสงค์เท่านั้นนะแล้วถือว่าพุทธธรรมพระสงค์มันอยู่ที่ตัวเองนี่อยู่ที่ใจนี่ไม่ใช่อยู่ที่นอกไม่ใช่อยู่ที่ปรธรูปพระสัตพระเจดีย์นู่นพุพระธรรมพระสงค์แต่พระพุทธธรรมนั้นเพียงแตเอาหมายคุณธรรมของเราเท่านั้นให้เอาถึงคุงธรรมว่าคุณพุทธะเป็นพระอรหันต์คุณธรรมะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วให้พ้นทุกข์ได้ สังฆ ค, คือปฏิบัติดีปฏิบัดิชอบอันนันว่าแต่คุณจะทำเท่านั้นแต่ทีนี้นเมื่อใจของเรามันไม่เข้าถึงตั้งแต่เราเราไม่มีนี้ถ้าเราทําให้มีให้เป็นแล้วมันจึงจะเข้าถึงพุทธะทำมาสังฆเกิดขึ้นแล้วเป็นที่พึ่งได้จริงๆทีงนะหากว่าไม่ถึงจริง ก, ก็อ้อนวอนเถอะขอมีอะไรมาก็อ้อนวอนสาธุขอให้อาพุทธะทำประสงค์ป้องกันอันตรายข้าพเจ้าจะให้มีให้อตรายอ้อนไปนะะ อ่อนยัมัน ก, ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าใจไม่เข้าถึงกรรมจัดไทยไม่ได้จริงนะอะอ่อนวอนนะนั้นพระบุตรใจจึงให้ใจของเราเข้าถึงเมื่อมันมีแล้วไม่ทำไว้อ่อนวอนหรอมันคุ้มครองรักษาเองถ้าว่าเราไม่ไม่ไม่สนใจให้ตัวเองอย่างนั้นน่ะเขเรียกว่าไม่มีเรื่องก่อนที่พระเจ้าขอนเราจะบริาพาเพระองค์ก็บอกว่าให้มี ให้มีทำเป็นที่พึ่งนะอย่ามีสิ่งอืนเป็นที่พึ่งเพราะว่าสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนั้นมันไม่แนนอนมันแก่มันเจ็บมันตายได้ถึงว่าเราจะพึ่งทรัพย์สินเงินทองเข่าค้องวารมีมากแล้วอทรัพย์สินเงินทองก็หมดเป็นบางทีเงินทองยังมีอยู่เจ้าของมันไม่อยู่ทีเจ้าของหนีแล้วไม่ได้ใช้เงินทองเลยทั้งไปหรือพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งยาตก็เหมือนกันตางคนต่างก็จะจากกันถึงพึ่งไม่ได้แต่ว่าให้พึ่งธรรมะ ทางธรรมะน่าจะเป็นที่พึ่งของใจในต่อไปธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งคืออะไรเนียเจาะจงโดยเฉพาะคือสติสัมปชัญญะพระเจ้าใช้คำว่าไม่ประมาทแต่มันกว้างไปหน่อยนึงประมาทถ้าทำคือทำมาเป็นผู้ไม่ประมาทมันกว้างไปหน่อยดัยงนั้นโยกคำว่าคือสติสัมปชัญญะหรือส ม, มาธิก็แล้วกัน หายใจสามารถทําสมาธิคือความสงบเกิดขึ้นนี้ขึ้นในจิตได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งทางใจที่อาศัยใจพมของใจได้เข้าถึงตัวเรียวเข้าถึงใจแล้วรู้จักใจแล้วรู้จักตัวไม่ตายแล้วตัวไม่แก่ไม่เจียไม่ตายก็คือใจนี่ถ้าคนเราไม่ผูกขัดไม่ภาวนาไม่รู้จักแม้ใจตัวเองก็ไม่รู้จักจะไปถืออย่างคนหลังเขเรียกสมองไม่ใช่ใจไม่ใช่จิตก็เรียกว่าสมองอู่นอาพุทธศาสนาท่านให้เข้าถึง ด้วยตัวเองเมื่อทําความสงบใจและใจเข้าสู่กับมันก็รู้จักเองใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปเรื่องพันธ์สันฐา น, นแต่ว่าเป็นสิ่งที่นีรู้ได้โดยตัวเองเรียกว่าสันทิิทโกแต่ละคนคนรู้ได้โดยตัวเองเห็นได้ตัวเองแต่จะรู้ด้วยวเองเห็นตัวต้องเข้าไปหาพระพุทธเจ้าใช้คําในสังสวงร์กถาธรรมโอปนาโกให้น้อมเข้ามาดึงเข้ามาตัวเอง ไม่ใช่ส่งกระแสไปข้างนอกถ้าว่าส่งกระแสไปทางตาหูจมกูก น, นั่นคือวิญญาณส่งกระแสไปท่าใดยิ่งไกลมากเขนาดนั้นไปแล้วก็ไม่ถูกมันเปรี่ยนมันก็เรามองเห็นพยับแดดอยู่กลางแจง้งแต่ว่าในสนามที่กลางแจง้งประมาณสักร้อยเมตรทางแดดกก้ า, เ, กรกาเราจะเห็นพยับแดดกระพิบกระพิบกระพิบเราวิ่งเข้าไปหาตรงที่มันกระพิบมันก็ไม่มีมันก็หายไป มองดวงไกลๆมีรูปร่างพันสันตานแต่ว่าเข้าไปจริงๆไม่มีตัวพูทโธคนที่มุงนะ่งมากมุ่งไปข้างนอกก็เหมือนกันใจมองไปข้างนอกไม่เจอจึงไม่รู้จักตัวเองเนี่จะรู้จักตัวเองนต้องอบรมในก่อนน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมเข้ามาาสู่ใจน้อมเข้ามาใจกันแล้วกันเข้ามาแล้วมาหารู้จักเองว่าไหนเป็นใจอไหนเป็นตัวแท้มันก็รู้ขึ้นมาหรือ่ารู้โดยตัวเองไม่ต้องไปสงสัยอย่างอื่นเลยที ไม่ต้องไปเขี่ยหาตำราละ่ะเขี่ยหาตำราอ่านเท่าไหร่ก็ยิ่งสงสัยมากกว่านั้นนั้นหลักคำสอนของปฏิจจาให้รู้จริงตามความจริงนั้นต้องเข้าถึงธรรมะให้ธรรมะเกิดขึ้นนี้ขึ้นธรรมะเกิดจะเกิดขึ้นมีขึ้เราต้องฝึกขัดต้องน้อมเข้ามาฝึกขัดตัวเองก็จะเป็นทางให้ใจของเราได้เข้าถึงธรรมะ ม, มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนี่คือธรรมพิเศษที่พุทธสีสอนสอนมาให้สรส้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดได้มีขึ้น นี่ทำสำหรับเฉพาะเจาะจงนี่นี่ทำอื่นที่มันหยาบ ก, กว่านั้นที่ว่าสามนะให้มีสัทภาสัมปทาศีรรสมตาจารคัมภตาจารสัมปัญญาสัมปดาถ้าตายแล้วนั่นได้มนุษย์สมบัติสวชั้นสมบัติได้แต่ว่าตรงกันข้ามนะถ้ามันมีสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นรกเป็นสุรกายสตรีฐาน คนที่ใจไม่ได้รับความเชืของบทเอาอีละสงสัยละไม่มีอ่ะโกหกคนเขีย่ยตำรามากกว่ารู้มากอยากหนาะก็เลยเข้าไม่ถึงองั้นเราจะให้เข้าถึงต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติให้เข้าถึงให้ใหญ่เข้าถึงไม่ใช่เอาความคิดเข้าถึงถ้าเอาความคิดเข้าถึงแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วอาการที่พวกเรามาปฏิบัติด้วยกระทําอย่างนี้เรียกว่าสั่งสมสั่งสมไว้แล้เก็บไว้ อมเอาไว้เอาไว้อาทีละน้อยละน้อยก็มันก็จะมากเข้ามากก็โดงดับในการทําบุญกรรมกุศลนี่ก็เหมือนกัรเราสั่งสมทีละน้อยเราสั่งสมทา น, ส, ท ส, นสั่งสมศีลสั่งสมฟังธรรมเทศอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดจากคําสอนพระพุทธเจ้านั้นมุ่งมั่นปั่นมือให้เราพวกเรา เ, เกิดปัญญารู้เห็นตามขอบเิตในสิ่งที่เรา มาอยู่อาศัยอันดับแรกพระุทธเจ้าให้เรามีความรู้ความเห็นสิ่งภายนอกที่เราอาศัยกันออกหมายถึงที่เราเกิดมาแล้วเราอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยยาติมิดอาศัยเงินอาศัยท้องเนี่ยทุกสิ่งตัวอย่างเหล่านั้นสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องอยู่อาศัยของเราแล้วก็ให้รู้ตามความปจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เราสร้างขึ้นทำขึ้นมีขึ้นแล้วเราก็จะพึ่งอาศัยได้ชั่วขณะเวลาหนึ่งเท่านั้นจะไม่พึ่งสิ่งนั้นตลอดไปได้อันนี้สิ่งรอบตัวตีนสิ่งภายในอีกได้ยาวสอนให้รู้เห็นตามความจริงขึ้นมาภายในคือตัวเราคือรูปหลางกายของเราทุกคนที่เกิดมาเราย้อนพิจารณาไปตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เมื่อเรากอดเกิดมาแล้วก็เจริญมาดาดับ เป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนปานกลางเป็นคนเฒ่าคนแก่มาตามลำดับเลยอันนี้มันแสดงการเปลี่ยนสภาวะมาดๆๆูลําดับแล้วก็เป็นเครื่องบอกว่าไอ้รูปร่างกายของเราที่เราอยู่อาศัยมันมันก็จะไม่อยู่ตลอดเหมือนกันมันก็จะไปเหมือนกันเนี่ก็อย่างนี้เองมันเป็นการตายปกติตายจากเด็กเล็กจาก หนุ่มจากสาวมาเป็นคนปานกลางเป็นคนเท่าคนแก่เราเกินมาตั้งแต่นานแล้วนะมันก็ตายไปตายไปตามรดับแต่ว่าเราเนี่ยกระรนึวกว่าเราไม่ตายให้ความจริงอันนี้มันตายปกติมันไม่เชิตายเปิดเผยตายเปิดเผยหมายถึงตายหมดลมหายใจเขาออกอันนั้นแล้วก็ก็ยังดีถ้าเรารู้ตามความเป็ น, น, นจริงนั้นท่านยึงสอนให้เราพิจารณาหรือสวดกั น, น, น ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอยากกัดผักจากของรักครอบชอบใจเป็นธรรมดาเราทำกรรมชั่วจะได้ชั่วกรรมดีได้ดีนี่เป็นเครื่องเตือนใจของเราทุกคนอย่างนั้นตัวเราแก่ธรรมดาเจ็บไข้นี่เอาเฉพาะรูปร่างกายเขาหราาืเป่าเราแก่ธรรมดาจะให้รู้เราว่าแก่ถ้าเราไมา่พี่นาะอย่างนั้นก็ได้ ว, ว่าเราก็จะเมา ว่าเรายังไม่แก่ยังไม่ยังไม่ใกล้เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ใกล้ตายแล้วก็จะคิดอยู่อย่างนั้นถ้าเราพี่นะตามลำดั บ, บว่าเรานัดตายมาโดยลำดัแบแบล้วแต่ขณะนี้มันก็ยังมีลมหายใจเข้าอยู่กันแต่ก็มีเราจำเป็ต้องจะสร้างสิ่งที่ที่แทนให้หมายถึงที่สร้างที่พึ่งของใจที่พึ่งโดยอ้อมนั้นเราสร้างเราทํามาเราให้ทานรักษาสิน อะไรต่างๆมาแล้วก็เจริญภาวนามาระดับแต่ว่าใจของเรา ย, ยังไม่เข้าถึงในว่าอย่างไม่เข้าถึงพุทธธรรมประสงค์ที่ว่าเข้าไม่ถึงพวมุรธธรรมประสงค์คือเมื่อใจของเราไม่ลงสู่สมาธิสัมมาสมา ธ, มาธิยังไม่เกิดขึ้นในจิตแล้วเหมือนใดก็ยังชื่อว่าใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมแต่เราก็ยังมีความรู้ธรรมและเลื่อมใสในธรรมยินดีในธรรมก็ยังมีอยู่พวกเราที่ปฏิบัติ แต่นั่นมันมันเป็นเพียงของภายนอกมันไม่อยู่ในใจเฉพาะถ้าว่าสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเน้อสามารถทําใจเป็นสมาธิได้แล้วอันนั้นมนเป็นของเกิดแล้วเป็นของมีอยู่ในใจเรียกว่าใจมีประพุทธผธรรมผสมโดยใจของเราเข้าถึงธรรมนี่ะใจเข้าถึงธรรมก็หมายถึงมันสงบแล้วตั้งมั่นแล้วพอเข้าสงบแล้วก็เลยรู้จากตัวเองก็ถึงพุโทโธอุติขัน้นมันก็คือรู้จักใจนะ ปกติธรรมดาเมื่อมันไม่รวมเรามันไม่รู้จักใจรู้แต่แต่ชื่อมันนะอันนั้นหวาดใจเนี่ยหวาดใจใจไม่มีตัวตนเราก็หวาดตามเขานะ่ะแต่เอาเข้าจริงๆเรากําหนดไม่ได้งั้นคนที่กําหนดใจของเราไม่ได้กําหนดรู้ดวงรู้ของเราไม่ได้ก็เทียบว่ายังกลับไม่รู้จักใจถ้าเรารู้จักใจแล้วเราก็จะรู้จักอ่อตัวที่มันแก่ตายก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายเหล่านะั้นมันเกิดดับเกิดดับ จะพัลลูมันช้าหน่อยนึ่งคือค่อยแก่ไปแก่ไปแก่ไ ป, แ, ไปแต่ว่าไอภายในเนี่ยคือเวทนาสัญญาสัขงขารเกิดดับแป๊บป๊อกป๊อเหมืนอนไฟกับพลิกมันเป็นอย่างนั้นเราก็าเลยหลงว่าดีกว่าเราไม่ไม่ถึงวาระนั่นไงไนี่ั้ามาเราย้อนมาถึงตัวเราแล้วรู้อ่ะโออสิ่งเหล่านะั้นมันหายไปหายไปมานานแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่เอาตัวเรายังไม่คือเรายังมีใจกันทุกคน เมื่อเรามีใจกันทุกคนเราคนที่จะให้ใจเขาแเรานะ่ะมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นภายในนี่เป็นธรรมะสำำํมคัญที่ทางพุทธศาสนาที่พระพิจาสอนให้ทำเรียกว่าไตาสีขาหรือสินสมาธิปัญญานั่นแหละแล้วพนะพิจา้วยได้ด้วยการปฏิบัตินะพระองค์ได้การปฏิบัติไงปฏิบัติพระเคระพระองค์ไม่ได้ตั้งวันนี้ต้ต้องสินต้องสมาธิไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย ตั้งใจภาวนากำหนดลมหายใจของดังที่พุทธประวัติแล้วปฏิญ า, าเป็นนั่งภาวนาที่ต้นศีลมหาโพธิ์เนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาสําเร็จธรรมมาสัำโมเดีาญถ้าไม่สําเร็จธรรมาามาสัาโมโพเดีาญจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เนื้อลเลือดจะเหินแห้งไปเหลือแต่หนงหังกระดูกกระชังมันจะไม่ลุกจากที่นั่ ง, องนอธิษฐานจิตแล้วพระองค์ภาวนาจนใจสงบเป็นสมาธิ เข้าถึงสัมมาสัมพุทโธถึงเมื่อใจสงบลงพบเมื่อใดก็เรียกว่าเข้าถึงพุทธามันนั้นเมื่อใจยังไม่เข้าถึงก็ยังก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่นะพอใช้ใจสงบลงพบเข้าถึงโปวพุทโธถึงตัวของพระองค์เองว่าสัมมาสัมพุทธะเข้าถึงพุทธะด้วยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกหรือเข้าถึงพุทธะชอบถูกต้องแล้วไม่ผิดแหละนี่สาหรับพระพุทธเจ้าเอง แต่สำหรับพวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็ต้องเข้าถึงพุท ธ, ธาอย่างที่คนเจ้าเข้าถึงพวกเรานั้นชื่อว่าอนุพุทธะหรือเข้าถึงใจรู้จักใจว่าพุทธเอกันให้มันง่ายๆ่า ย, ายคือถาว่าทราบาบาลีเยอะมันยากลำบากเราก็เข้าถึงใจรู้จักใจตัวเองจะเข้าถึงใจรู้จกักใจตัวต้องภาวนาตามหลักนี้เอาง่ายงายทั่วไปก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่ ง, งอาวนาะพุโทโธพุธโทโพุโทก่ทอนนอนตื่นนอนนี่เป็นประจำ นี้ตั้งกิบไว้แต่แต่ น, นั้นไปถ้ามัามีสิ่งใดก็ให้น้อมใจเข้ามาเลกพุโทโธทันทีใจของเราก็จะเข้าถึงฐานที่นั้นๆเรียกว่ายึดเดี่ยวพุโทโธโดยการบุรีกรรมไปก่อนเมื่อมันเพียบพร้อมบริบูรณ์แล้ววัในใดใจของเราก็จะเข้าถึงตัวพุโทโธแท้ๆทีไม่ใช่พุโทโธเพียงบุรีกรรมไม่ใช่พุโทโธเพียงแต่แอบแฝงไม่ใช่พุโทโธเพียงแต่ ว, ว่ายึดเดี่ยวอันนั้นไว้ เนีนเดี๋ยวขณะนี้เรายึดเบี่ยวไว้ทั้งนอกแล้วหน่อยอ่าทั้งนอกแในในนอกก็คือเรากราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงกาบไหว้พระพุทธาโลกพาสถพระเจดีหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆนั้นเราขนมาหนาะมากาบมาไหว้มาของโดยอ้อมทั้งนั้นนะเราถือว่าพระุทธเนี่ยก็เรากาบเราไหว้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนพระพุทธญาติแต่มันยังไม่ตัวจริงน่ะมันเป็นเพียงอ้อมถใจ สงบแล้วนะเป็นสมาธิลงเมื่อใดเข้าถึงแล้วจริง <c oughs> ของนาคก็ <c oughs> นอกก็เป็นเพียงเครื่องประกอบเท่านั้นเป็นเครื่องประกอบให้ใจของเราถึงครูบาอาจารย์เกจีอาจารย์ทั้งหลายต้องการให้พวกเราเนาะเข้าถึงพุทธคามรมประสงค์จริงสร้างพุทธลูกพระสถบพระเจดีและยังไม่พออีกยังสร้างเฉพาะอีก สร้างคร e ูบาอาจารย์ร yeah, ูปเหรียญเหรียญหลวคปูคูบานั่นหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ให้เราเลิกนึกถึงเพื่อให้เราเลิกนึกถึงพระวุธฒิธรรมประสงค์เน่ยแต่ทีนี้คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เลยไปนึกอย่างอื่นเสียเอาขังซะเองได้เลี้ยงข้าวไก่อยากก็ให้ค้าขายรับหมวยอย่งนทุกอย่างไปไปตามหลักกันเออมีตัวอย่างอนึงอันนี้มีเหรียญหลวงปู่อะไรก็ไม่รู้จาไม่ได้มันเป็นแหวน แคใส่แหวนนั้นหลผูกนั้นไว้ในมือเนี่ยก็ยังธรรมดาก็แก้ไม่ได้ไม่เลิกดอกแต่ทีนี้มีฝ่ายศัตรูฝ่ายศัตรูไปป้วนบ้านแกแล้วก็จับแกมันเป็นศัตรูกันหมายถึงว่าหมายมันปั้นรูจิตุพัทุศล้ายกนมานานแล้วก็พัทุสล้ายก็ยังไม่เอาอะไรก็เลยไปจับแกนะไปจับแกแล้วก็นาแกนั่นไปไป ไปปลูกขึงพืชไว้ที่ทางรถไฟเพื่อจะให้รถไฟมันทับมันตายแบบนั้นทีนี้ก็เขาพวกผู้ร้ายเหล่านั้นมันจับตาแก่คนนั้นไปนมัดไว้ที่แล้วก็รีบกลับไปที่บ้านแกนะกำลังจะไปคูเข็นที่จะไปอ่ม ข, ขืนเมียเขาอย่งไรล่ะกําลังจะทําอยู่อย่างงั้นทีนี้ก็พอดีรถไฟก็มาพอดี แล้วก็ไอ้คนที่ถูกเรืง่งนี้นะเคมาคิดไม่ถึงอะไรละแกยคิดแต่เอ๊ะ ต, ตายไปไปมันนึกถึงแหวนที่ใส่มือแล้วก็เลยอธิษฐานจิตยกมือเข้าไปเจ้าขอบูชาหลวงปู่ในขอบุญนนบันดาลให้พ้นภัตรายเหมือนกันนีพอดีว่ารถไฟพอจะมาถึงท่านนั้นมันหยุดตรงนั้นพอหยุดแล้วเนี่ยทั้งที่เป็นรถไฟสินค้านะรถสินค้าไม่ใช่รถโดยสาร เมันเป็นกลาคืนแล้วแล้วก็มีคนวิ่งลงไปดูว่าข้างหน้ามีอะไรไปไปไปเห็นไอ้ตะแกคนนั้นถูกมัดตึงไว้ที่รางรถไฟนั้นยิงช่วยแก้ออกมาลักถาม้มเป็นยังไงกับมันเล่าให้ฟังบอกว่าที่เราหยุดนี่เพราะว่าในขณะที่รถไฟมันผ่านมาเนี่ยเห็นเหมือนกับมีคนมีถือโคงไฟแดงผ่านไปผ่านมากลับไปกลับมาผ่านหน้าผ่าน ห, หน้ารถไฟเลยหยุดรถเหมือนกัน ก็ลอยว่าเอาทั้งนถ้ามีเหตุอะไปที่ไปแจ้งตำรวจที่สถานีตำรวจที่ใกล้ๆว่างเราก็แนะนำให้ไปไปแจ้งตำรวจก็เพอเดียวตำรวจไปจับไอ้ผู้ร้ายที่กําลังจะขู่เข็นเอาทรัพย์สินนจะขู่เข็นคงขืนเหนียวแกได้เลยจับผู้รายนั้นได้เลยอันนี้แกมีเหรียญหลวงปู่จะเป็นหลวงปู่อะไรนึกไม่ได้แต่ว่าเป็นเหรียญหลวงปู่ก็แล้วกัน แต่เรียนลูกบัวอะไรก็ตามนะถ้าว่าคนถึงข่าวเหตุแล้วก็นึกถึงนึกบูชาครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าท่านนึกถึงพุทธธรรมประสงค์นั่นแหละก็เป็นเครื่องบรรดนมันดาลมีเครื่องช่วยอนุบุตรธรรมก็ครูบาอาจารย์หรือพระที่ท่านมีศีลมีกิจยนานธรรมที่งามย่อมมีพกเทพพวกอะไรจะมันดนบันดานช่วยเหลือเกื้อกูลอนุถ้าว่านึกบูชาท่านแล้วสิ่งนั้นนั้นก็ต้องช่วยอุตรธรรมยานพวกเราเนี่ยไม่จะเอาได้รยอ้อม ให้ไม่เข้าถึงตัวจริงแล้วไม่จะเป็นต้องไ้อ้อนวอนอะไรทั้งนั้นมันเป็นเครื่องช่วยเราเตลอดถึงจะเป็นนำทางให้พวกเราในไม่หลงทำกากียเพราว่าคนแต่ละคนละคนนะเมื่อใกล้จะตายนะบางคนมันมีโครคไข้ไข้เบียเบียนบีขคั้นเอาจนเสีย ส, สติสตังค์ไม่มี ส, สติสตังค์ที่จะรักษาคุมความนึกถึงทานถึงศินตา่างๆไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็ตายไปนั่นเรียกว่าหลงทำกากีย คือมือมีสติสร้งเลยไม่รู้ตัวเองเลยไม่ได้ปงปงสังขารเลยไม่ไม่ต้องชีวิตเลยว่าเราจะต้องตายเนียปงอะไรไม่ได้แต่ว่าที่ถ้าว่าคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันดีตั้งแต่เกิดมาก็าได้ให้ทานรักษาศีลหมามากพอแต่ก็ไม่ถึงใจยังไม่ถึงเป็นสมาธิก็ อ, อย่างว่าเดี๋กวผมมีบุญกุศลมาถามอยู่บุคคลประเภทนั้นเขาบะท่านบะ เหมือนหลับแล้วตื่นถ้าไปสวรรค์พับภาสากวกากวาบไปสวรรค์เลยเหมือนมาทางไหนก็ไม่รู้อะไปถึงสวรรค์แล้วก็ดูรู้สึกตัวขึ้นมาก็ดูหน้าหลงแล้วก็แปลกตกแปลกใจว่ามันเป็นที่ไหนเนก่นพวกเทพอะไรเ้าก็แนะนําว่า น, นี่มันเป็นสวรรค์ยังนี้เขาก็แนะนําเนี่ยอันนี้ครับไอ้หลวงพ่อแล้วว่าแม้จะหลงทำกิจยรรมใดอย่างหนึ่งแต่ว่าได้สร้างทานศีลภาวนาไว้ตามสมควรแล้วกัคนนั้นก็ได้ว่า ได้ บ, บุญกุศลมันก็หลับแล้วตื่นแต่ว่าถ้าว่ามีสติสตังพร้อมบริมนเกยิ่งเพิ่มเติมบุญกุศลมากขึ้นหลักการปฏิบัติตามคําสอนของพระดิศาสนานี้อันดับแรกทั้นว่าให้ได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นทางให้เกิดความรู้ความเข้าใจสร้างสามมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นที่ใจก่อนถ้าใจของเรายังไม่เห็นถูกต้องว่าทําดีใดดีดทาชั่วได้ชั่ว หรือทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปใจก็ไม่แน่นอนรีกว่าศรัทธาไม่มั่นคงเพื่อต้องการให้เรามีศรัทธามั่นคงเนี่ยจำเป็นจะต้องได้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรมีความประสงค์อย่างไรหลักประสงค์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทุจะเกิดประสงค์ก็ดูจะมีเพียงสามอย่างนะั้นอย่างในหนึ่งให้เว้นจากความชั่วทั้งหลาย ป้องกันบาปไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันมีขึ้นอันที่สองก็ให้สร้างความดีอันที่สามทำละใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรคโกรธลงเป็นดั่นบางที่วาดโดยย่ออย่างนี้ก็เพราะว่านั่นมันคือเป็นเหตุเหตุที่จะให้รับความทุกข์ยากลําบากเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายแม่ป่าแม่ป่าทนะความทุกข์ยากลําบากทั้งทางนี้ไม่ปรารถนาไม่ต้องการอยากจะได้ลูก ความทุกข์ยากลำบากแต่มันก็เจอทุกที่มันเจอทุกนั่นก็เพราะว่าบางคนทั้งที่ททเจอกลัวทุกแต่ว่าสร้างเหตุแห่งทุกให้แกตัวเองมันก็เลยเกิดทุกหรือบางคนก็ยังมีทุกข์ยากลำบากกับน่นมันเป็นวิบากขันว่าไม่บากกม บ, บางอย่างที่ตามมา ท, ทั้งที่ละเว้นแล้วระวังแล้วยังได้รับความความลำบากหรือก็เพราะว่ามันเป็นวิบาก ดังนั้นหลักการปฏิบัติจึ่งมีเราหลักกว่าหนึ่งสี่รักสองก่อนคือระวังระวังง่ายทำไม่พูดให้มันผิดศีลธรรมคาสอนของปฏิจจารที่พระองค์วางไว้จึงเป็นภาคปฏิบัติอยีกหนึ่งระวังคื อ, อคําสอนของพระเจา้ามันมีแม่บทอยู่แล้วแต่ระวังไม่ให้มันลวกเกินในสิ่งที่ปฏิจจาวาห้ามนั้น ไม่ว่าละวันเว้นบาปต้องระ ว, วังทางกายวาจาเราทางกายวาจานั้นเป็นเป็นตัวศีลละทางกายว่างกายกรรมสามวิจีกรรมสีม่แมโนกรรมสามไงที่ว่าเราเว้นบาปก็ท่องทางนั้นไม่ขาดสัตว์นะครับบริจินกากรรไม่พูดเหาะพพูดขอเสศษพูดคําหยาบเพือเจอได้หรือ่าน่นเป็นทางเพืจะให้เว้นความชั่วแล้วมาพูดความดีดีเนี่ย ดพราความดีก็หมายถึงมีการบริจาคทานมีการไหว้พระสวดมนต์อย่างต่างๆนั้เป็นการสร้างความดีก็ส่งเสริมขึ้นหมาทั้งว่าให้เราพยายามป้องกันไม่สิ่งที่มันไม่ดีนั้นเกิดมีขึ้นแล้วก็จะไม่ต้องสร้างสิ่งที่ดีที่งามนั้นให้มันมีอยู่ในภายในใจเขาเราเป็นเครื่องแทนนี่ถ้าว่า เราป้องกันไม่สิ่งที่ไม่ดีเราพยายามป้องกันถ้ามันไม่มีสิ่งที่ดีอยู่ข้างในเต็มอยู่แล้วก็สิ่งที่มันดีมันก็จะเล็ดสิ่งไม่ดีนมันก็จะเล็ดรอดเข้าไปได้จาเป็นจะต้องกันสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วแล้วจะไม่ต้องสร้างสิ่งที่ดีงามให้มีอยู่ในใจให้เต็มในใจแล้วมันก็จะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีออกเข้ามาได้ เงี่ยหลากกันว่ายสีลสังวร อ, อินทรีย์สังวรคือระวังระวังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในขณะที่เราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิมล้มรสถูกต้องกุิตภัาฑลกธรมารมหรือใจนี่ตลอดวิทจาสอนว่าให้ระวังสิ่งเหลนี้เพราะกระทบเข้าแล้วมันจะเกิดผลสองอย่าง กระทบทางตาของจมูกเรื่องกายใจนมันจะเกิดผลสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งเกิดความยินดียินร้ายเกิดความยินดีอันที่สองเกิดความยินร้ายถ้าเกิดความยินดีก็เกิดความรักใคร่พอใจเกิดความยินมร้ายก็เกิดความโกรธพยาบาทมากร้ายเนี่ยนี่ยายยัสอนให้ระวังถ้าไม่ระวังมันเกิดผลเกิดเป็นความโกรธความเกลียดความรักความจังขึ้นมา สิ่งเลนั้นมันไปอบอยู่ที่จิตใจถ้าความโกรธความไม่พอใจมันมันมาฝังอยู่ที่ใจแล้วนะเขาแต่ว่าเราได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งที่มันไม่ดีมันก็พุ่งออกมาทันทีคือสิ่งที่มันดีมันแอบอยู่นั่นน่ะแอบอยู่ที่ใจนจริ่งไม่ดีมันก็เลยพ่นออกมาได้ถ้าเราไม่ระวังมันมันก็ไปไปเสริมเวียนนั้น เออถ้าว่าเราทาใจก็เราใหเป็นกลางกัหนระวังไม่ให้ยินดียินายที่ไม่ให้ยินดียนั้ น, นไม่ใช่เป็นของทำได้ง่ายเลยถ้าใจอยู่ข้างนอกแล้ว น, นไม่ได้กระทบในทางที่ใจรักมันก็รักกันทีใจชันมันก็ฉังทันทีหลักการที่สำรองสังวรระวังที่เราะวังใจไม่ยินดีริายนั่นต้องกำหนดลูก กำหนดรู้ใจสิ่งใดเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วกําหนดรู้ขึ้นในจุดนั้นเราไม่ปล่อยใจก็ร้ายออกจากจุดที่ตั้งนั้นที่ในหลักสวากาตธรรมโอปนัยโกคือให้น้อมเข้ามาสู่ใจน้อมเข้าสู่จุดรู้อันนี้ทำสองอย่างที่ว่าน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาในภายในหม่ได้ว่าประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดรู้ให้ ใจไปรู้อยู่ที่ใจแม้มันสร้างอยู่ข้างนอกมันก็จะระ ง, งับอันที่สองน้อมสิ่งที่ดีที่งามมาเป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนว่าสิ่งนั้นมันดีมันงามเราควรจะเอาอย่างย่างควรจะไปประพฤติปฏิบัติควรจะไปใช้อันนี้ก็เรียกว่าน้อมเข้ามาเหมือนกันเพื่อเราไปเห็นสิ่งภายนอกแล้วเราก็นํามาใช้ได้ก็น้อมเข้ามาอัน การ น, น้องเข้ามาอย่างนั้นเอาแบบแบบเนี่ยทีอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่ดีเราไปได้เห็นได้ได้ยินได้ฟังประกอบกันแล้วก็มองเห็นโอ้สิ่งนั้นไม่บินไม่ดีไม่งามแล้วก็นํามาเปรียบเทียบตัวเราได้เหมือนกันเรียกว่าอาศัยรูปธรรมอาศัยสิ่งที่สัมผัสนั้นเป็นเครื่องสอนตัวเองได้ก็ลาถอนปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้เพราะว่าหลักใหญ่ที่พระดิจาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากที่ใจ มีใจเป็นใหญ่มีใจเบนหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจมีโทษประตูสลายแล้วจะพูดก็ไม่ดีจะทามันก็ไม่ดีจะคิดมันก็ไม่ดีทั้งนั้นถ้าใจไม่ดีแล้วตรงกันข้ามถ้าใจดีแล้วใจฟองใสแล้วจะพูดข้อดีจะทำก็ดีและจะคิดก็ดีทั้งนั้นเพราะว่าใจดีแล้วมันเป็นทางอย่างนั้นทีนี้คิดใจจะดีเลยนะ ไใจจะดีนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องผูกมัดใจจิตใ จ, ใจความจริงแต่ละคนละคนมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันมีช่วงครั้งช่วงคราวถ่าวับเผื่อมาใดมันแวบเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอนีถ้าใจนั้นจะนอนเรื่องในในความดีตลอดคืนสติมันจะนอนอยู่ในในใจตลอดไมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาก็รู้เลย สิ่งใดที่เกิดขึ้ น, นจริงๆเรารู้ว่าอ๋อมันไม่ดีสิ่งนี้นะเกิดขึ้นาเออสิ่งนี้ดีถ้ามันเกิดรู้ขึ้นมาอย่างนั้นแล้วคนนี้เราก็ไม่ไม่ทําไม่พูดในสิ่งที่ผิดดังนั้นท่านจึงให้ตั้งอยู่ในะสีและสังวรและสติสังวรคือระวังใจรักษาใจแล้วไม่ปล่อยใจีนี้มีสิ่งใดที่มากระทบกระเทือนขึ้นเราก็นอมใจของเราเข้าสู่จุดตั้งเข้าสูร่รู้สม่ำเสมอ คือเราจะไม่สิ่งต่างๆมากระทบกระเทือนใจนะมันมันชั ก, กยากเพราะว่าตาของไอ้หน้าของเราคือตาหูจมูกเดินกายมันต้องรับสิ่งเห น, นั้นตลอดเวลาเห็นถ้าไม่ระวังมันเก็บเอาสิ่งนั้นไว้ถ้าเก็บเอาสิ่งนั้นไว้มันเป็นความจําเพากระทบพับก็จําไม่ได้ดีพอไหนรู้เด่นเด่นเดี๋ยวฟังก็เก็บสิ่งนั้นไว้ ก็เก็บแล้วนั้นเป็นเหตุให้เกิดรักเกิดชังขึ้นในสิ่งที่เราเก็บไว้นั่นถ้ามากรมกันข้ามค้ากระทบแล้วเรารู้ตามความเป็นจริงสารสิ่งนั้นมันดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็วางเลยไม่มาใกล้แล้วดีถ้าสิ่งที่ดีก็เอามาใช้ได้นี่คือหลักทั่วไปภาคปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนสอนให้เราระวังตัวเองศีสลสังวรคือระวังการกระทําทางกายทางวาจาและเสติสังวรคือระวังใจไม่ปล่อยใจ ของเราให้ไปตามาธแห่งคลายต่ําตามหลักว่าไม่ให้ใจให้เกิดความโกรธความรักความชังด้วยอํานาจแห่งความรักใคร่พอใจด้วยอํานาจแห่งอความรักความหลงที่เกิดขึ้นนั้นให้ใจของเราเป็นปกติใจเป็นปกติจะไม่ต้องต้องมีสติซ้ำไปจะไม่เครื่องขู ด, ดแต่งนั้นนี้สิ่งที่จะมีจะมีจะเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ต้องฝึก ฝึกเป็นแล้วนะเราก็โล่งใจใตรอดทีในขณะที่มาเป็นเราก็ต้องอยู่ในฐานเราสังวรระวังเรายังไม่ปล่อยใจถ้าใจมันถึงที่มันเต็มอัตราแล้วมันมันเป็นของมันเองนะในภาคปฏิบัติต้องระวังต้องระวังเรียกว่ารักษาในหลักปฏิบัติติงเรียกว่ารักษาใช่ว่าเรามารักษาศีลเพื่อสมาทานตั้งใจว่าจะต้องทําอย่างนั้นนะต้องระวังรักษาทีทำอะไรระวังรักษาก็เรียกว่า มันผิดไม่รู้ตัวนี่คือระวังทางตายาจชาเท่านั้นยังไม่ถึงใจเลยยังใจกินเนี่ยก็ต้องระวังทางต้องรับรู้อยู่บ่อยๆปกติในใจของเราทุกคนมันรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นตะกอนตลอดเวลาอยู่แล้วที่นับรู้ถ้ามันรับรู้แล้วรับรู้ไปแต่ภายนอกแล้วไม่รับรู้ภายในนั่นแหละมันจะเป็นทางให้เกิดความโกงความเบียดบัลนวัดลาย ถ้าใจไปรู้แล้วแล้วก็มารู้ใจอีกไม่มีปัญหาจำเป็นต้องให้ใจรู้เพราะว่าปกติธรรมน้ำก็รู้ธรรมดานะรู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางนี้ทางกายก็ต้องรู้อยู่นั้นธรรมดาถีเมื่อรู้ดังนั้นเราก็ต้องรู้ภายในด้วยก็รู้ใจด้วยถ้าไม่รู้ไม่รู้ใจมันก็หลงนะทีมันเป็นหลงเป็นมอเป็นอะไรต่างๆนนัน้อันนี้ภาคปฏิบัติของเราเท่าไหร ใจเขาเรานั้นได้สติสมาธิมันจะเกิดขึ้นภาย ใ, ในนะมันเครื่คุ้มของแกรักษาใจใรวมความแล้วทุกคนนั้นต้องระวังรักษาตัวเองไม่ปล่อยใจเขาตัวเองให้ตกไปในที่ต่ําให้ใจเขาเรามีสติสัมปชัญญา ร, รู้ดีรู้ชั่วอยู่ภายในเสมอเเสมอก็เรียกว่าเราไม่ตกต่ําถ้าปล่อยออกไปแล้วใจมันก็มีโมหะมาครอบงำหนักตัวใหญ่พระพุทธเจา้อาอวิชชาคือตัวไม่รู้ พอสิ่งนั้นมาก็ท้อพับก็ถือว่าดีกันทีมั่นแนหะคือตั ว, วิชามันบังมันปิดบังไม่ให้เรารู้นีถ้าว่ามีปัญญาวิชาเกิดขึ้นแล้สิ่งที่ปรากฏพับพับรู้อ๋อมันไม่ดีสินะถ้ารู้ว่าไม่ดีครับมันก็ไม่เอามาใช้ถ้ามันรู้ว่าดีๆแล้งสงสัยว่ามันจะดีอยู่มันก็จะเอามาใช้มันติดข้องในใจของเราแต่นั้นพวกเราภาคปฏิบัติของพวกเราแล้วการทําบุญกุศลต่างๆนะี่เป็นเครื่องประกอบ เรามีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เป็นการเป็นเครื่องประกอบในภายนอกแล้วก็เราก็มาเอาข้างในนะว่าจุดข้างในคือเอาตัวเองเอาใจระวังตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยบำเพ็ญบุ ญ, บ, ญ, บ, ญบำเพ็ญกุศลการบำเพ็ญบุญกุศลตามที่พวกเราก็ทาอยู่ทุกวันนี้เรียกว่า เรียตามภาษาที่เจ้าเรียกว่านิพัทธกุศลคือกุศลที่เราทําเป็นนิสิติดต่อกันไม่หา่างไม่ขาดการกระทําบุญกุศลแบบนี้มันเป็นเหตุให้ใจของเรานะึ่งแล้วลึกถึงสิ่งที่เรากระทานั้นได้ตลอดเรียกว่าไม่หลงไม่หลงวิธีการบางอรังบางขร า, า, าว มีคาสอนที่จะว่าหลงทํากาคียาคือบางค น, นก่อนจะตายนึกถึงบุญถึงกุศลถึงความดีทั้งหลายไม่ได้เลยไปอย่างเงีอันตวาเรียกว่าอย่างนั้นเรียกว่าหลงทํากาคียาคือก่อนจะตายก็ไม่รู้ตัวเองเลยมันสำนึกว่าตัวเองจะตายและอย่าง ต, ต่างๆคุณสุดท้ายก็เลยไม่ได้โปร่งขัน เมื่อได้ปรงไม่ปรงขันกันเลยไม่ไปที่ไหนง่ายตายก็วนเวียนอยู่นั่นแหละแต่หวังว่าได้ปรงขันดังนั้นโบราณาก็มีวิธีการะพื่จะช่วยหมู่นี้แต่ได้ผลหรืม่ได้ผลยังไงก็ก็ทำกันมาว่าที่เขาทำบุญทำบุญเจ็ดวันบ้างห0สิบวันบ้างร้อยวันบ้าง ทำให้ผู้ทิฐแต่มาตายไปคือหลักว่าคนที่ปาตายไปแล้วเน้นใม่ใหม่มก็ยังระ ล, ลึกๆึกเมื่อใดว่าตัวเองตายแต่บางคนก็ประมาณสักเ็ดวันก็นึกได้ว่าตัวเองนั้นตายแล้วพอเนื่องได้แล้วก็จะได้นึกถึงบุญถึงกุศลที่ตัวเองในสร้างในการทําไว้ก็ได้รับผลอันนั้นหรือญาติพี่น้องเขก็ทําบุญร่วงก็ เ, เรียกอนุโมทนาร่วง หานึกถึงไม่เจ็ดวันไม่ได้ก็เอาเอาห้าสิบวันหานึกขึ้นมาได้ก็ได้ทําบุญกระปุ่นหรือมีขนาดร้อยวันนันประเพณีการทําบุญเพื่อผู้ตายถึงเจ็ดวันบ้างห้าสิบวันบ้างร้อยวันบ้างอย่างนี้ทําตามอติของเกจีอาจารย์ของครูบาอาจารย์ที่พาทำมาก็ ก็ไม่ผิดหลักอะเป็นทางให้เกิดขุดคูนุดสนเหมือนกันเกอนเป็นคูนสนทั้งผู้ที่ผู้ที่อยู่ด้วยทั้งผู้ที่ตายไปแล้วด้วยบางครัง้งบางคาบางคนบางก็ไม่เคยนึกถึงสิ่งนั้นแต่สำหรับผู้ที่ทาบุญเป็นประจำอยูอย่แล้วไม่เปปัญห า, อ, าอย่างคณะสัตธาญาติโยมทลายถึงวันพระวันเจ้ามากับาธรรมบูญทุกวัน คือเราเนึกอยู่เสมอว่าวันไหนเป็นวันพระวันไหนเป็นวันสำคัญเราเนึกได้อย่างนั้นจีแฉมก็สานึกได้สิ่งนั้นนั้นิงใดที่เราได้ได้คิดไดน้นึกได้ปรุงได้ทำอยู่สม่าเสมอ ส, สิ่งนั้นไม่ลืมเลือนที่ว่าทานานต่คคำสอนทุเดียวปัญญาเกิดจากการอบรมคือการกระทําสม่ำเสม อ, อนั้น มันเป็นทางให้เป็นไปได้ง่ายแล้วก็ถต่ว่าบางครั้งมันเข้ารับลืมไปอมันก็กลับคืนนึกขึ้นได้ง่ายขึ้นหลังนึกขึ้นได้ก็มันก็เกิดเป็นผลอาการนึกได้ด้วยวิธีนึกนึกได้ในถ้าธรรมดานของเราไม่มีอะไรนี้คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพรเกิดขึ้นพับดับไปพับไปทงนที แต่สำหรับบุคคลผู้มีวาลาจิตที่จะต้องใจจะถอนจากล่างนะมันเป็นวาลาสำคัญมากถ้าเสียงใดที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ดับง่ายเลยไม่ได้ดับง่ายเลยทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชัวยนะ่วเลยถ้าเป็นฝ่ายที่ชั่วแล้วไอ้เสิ่งที่ชัวนะ่วนั้นไหนใมาดนนิมิตหรือภาพที่ชัวนะ่วเน ปรากฏอยู่ในจิตอย่างนั้นจิตก็ยึดเดี่ยวสิ่งหล่านั้นหนั่นนาสิ่งนั้นเมื่อครั้งแรกมันไม่เป็นจริงนะไม่จริงเป็นเพียงภาพเท่านั้นแต่เมื่อใจมันถอนจากร่างแล้วมันวางร่างกายตัวเองนีก็ไปยึดเอาภาพนั้นเป็นจริงเป็นจังก็เป็นจริงเป็นจังไปด้วยทีค่ะตอาเป็นภาพนรกก็เป็นนรกซะเลยถ้าภาพสวรรค์ก็ไปสวรรค์ซะเลยนี่มาเปรียบเทียบในหลักภาวนาที่เดีที่จะมาพา ทุกคนภาวนาอยู่ตัววันนี้ที่ห้ามว่าไม่แต่ละคนเราคนต้อไปถืออนิมิตต่างๆหือส่งกระแสจิตไปเห็นนั่นเห็นนี่จังการเห็นว่าเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปเห็นสิ่งที่ดีบ้างสิ่งที่ไม่ดีบ้างเช่นว่าบางคนอะพุโทโธพุธโทโธไปเห็นพุทธลูกจิตใจกัยึดเดียวเอาพุธทธลูกมันเป็นหลักเดียวถือนิมิตเป็นหลัก ถ้าเปนสิ่งถ้าเป็นสิ่งนั้นมันก็พอจะดีอยู่บ้างแต่ถ้าสิ่งอื่นเราถึงเนี่ยปรากฏเห็นอย่างอื่นเนี่ยจิตใจก็ไปยึดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นแต่น้ําหลักของครูบาอาจารย์ที่ไหนมันจึงให้รับรู้รับท ร, รบาบว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นนี่เห็นขึ้นนั้นมันไม่ใช่เป็นของจริงเป็นเพียงภาพเใกว่านิมิตนิมิตมีสองอย่างคืออกนิมิตนิมิตติดตาอันที่สองปฏิภาณแกมิต มีสองคือโอกานในวิปฏิพักอันนีวน้วิตติตามอคานในวิสเหมือนเหมือนหนเหมือ น, นวิตติตามเหมือนกระตาเราเห็นนั่นแต่นี้นมันเกิดในจิตมันเห็นในจิตปรากฏภาพเกิดมาเห็นในจิตเลยถ้าสิ่งนั้นนะไม่ติดไม่ลบไม่ลบเลยก็ะจะเป็นเหตุให้บุคคล น, นั้นใจเพี้ยนไปใจมันเพี้ยนไปเพราะภาพทิวิสมาในจิตน่ะมันจูงใจไป โอทีเนมันก็ถือว่าเป็นจริงเป็นจังความจริงนั้นไม่จริงอนี่ถ้าผู้ภาวนาจะวิช น, นะและ้วกเห้อสิ่งสิ่งนั้นไม่จริงเพราะตำรวจลงหลงตังเลยพับมันก็ดับไปสิแต่ถ้าว่าไม่รู้จักวิธีการมันไม่ดับอ่ะจิตใจมันก็กเกาะอยู่ในสิ่งที่เห็นหนึ่นจิตเฉงหรือวิปลาดหรือเพี้ยนไปหลักการที่เราก็ทํากันอยู่ทุกวนันนี้ประกอบกันทุกวนัน สิ่งที่เราทำเป็นประจำก่อนนอนเราไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาของเราในครับเรียกว่าเทมเป็นประจำก่อนนอนเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาพุโทโธจบเป็นประจำถึงวันพระมาเราก็มาได้ไหว้พระสวดมนต์ร่วมมูแล้วก็มาเริ่ภาวนาเจวนี้เราทําเป็นประจำรวบรวม เ, เรียกว่านิพพัทธคุณ คือสนเห น, นืองนี้กุศลต่อเนื่องกันทางการนุโนลมเขาเปรียบเทียบเขา้านุ่นมเข้าในลักษณะของท่านที่พอพุทธปฏิบัติได้เขาเดียบมงคลชั้นโสดาบันถ้าโสดาบันนั้นท่านจิตใจเขาท่านแน่นอนมัน่นคงคือท่านบำเพ็ญสมาธิภาวนาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเกิดหยาดสามารถละ ถอนปล่อยวางวางจิเลตได้เรียกว่าจิเลสที่ท่านละถอนได้เรียกว่าสังโยชนั้ น, นเป็นเครื่อหมายว่าส ก, กาทิฏฐิวิจิกริชฌาสีวัฏถะประมานส ก, กาทิฏฐิก็หมายถึงการปล่อยวางขันห้าได้จิตใจไม่ยื้อปถือเอารูปเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาสัญหาทอย่ญญางก็เป็นตัวเองเรียกว่า รู้อย่างเดียวขึ้นมาเลยกน็นั่นคือกายอันนี้คือใจพราะอาศัยกายเพียงแค่นั้นอย่างนี้เลยว่าละถอนปล่อยวางกับกายที่ติได้กิจกิจหาความสงสัยหลังเล่หลังเล่อะไรโลกนี้มีไหมโลกหน้ามีไหมทําบุญได้บุญไหมทำบาปได้บาปไหมคนตายแล้วสูญไหมหรือคนตายแล้วจะเกิดอีกนี่เปต็ต้นความสงสัยของกิจจนไม่แน่นอนถ้าสงสัยก็ลังเล สิแล้วพระจารามาติการโลกคําหมายถึงโูกคำํำในข้อปฏิบัติเพราะว่ารัที่วิธีการปฏิบัติเขาอันมีเยอะแยะบางครั้งก็หน้าพิสวงหน้าเสจร์ก็มีที่บอกเขาเล่าภาวนาเนี่ยแต่ว่าภาวนาไม่เหมือนบางคบางครั้งก็ถือจับภาวนาเห็นหนั่นนี่เห็นนี่แต่เห็นหนัน่นแล้วก็ไปไปนิพพานน่นพระพุทธเจ้ามีองค์หนึ่งอยู่นู่นวิสาภะหรืพอพระอยู่สุขสวรรค์ ขุขาวมดงวดีอย่าใดต่างอุทิศเขาเห็นเขาเข้าว่าชัดเจนเห็นจริงจริงจริงจังอะ่างน้นอุทิศจบะบอกว่านั่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกมันเป็นภาพ น, นิมิตนิมิตที่สร้างขึ้นมาเทั้งนั้นแต่นี่การที่สร้างที่มันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นโดยมากผู้ที่ทําอย่างนั้นที่มันเป็นภาพนิมิตที่เกิดขึ้นมาโดยมากใช้คาถา คาถา น, นี้ยมันเป็นเครื่องสะกดจิตคนนะที่เขาภาวนาที่ว่มามโนมยิธิเ อ, อมาอมโนมยิธิใช้าคาถาแล้วคือใช้ถู ด, ด้วยแลก็แลาม า, า, าเามื่อทำกรรมิเกิดภาพนี้ขึ้นเห็นรูปเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้ามันพา เดี๋ยวก็ไปถึงสวรรค์ชั้นภูเขาดีเห็นพุทธเจ้าองหนึ่งอยู่นี่แต่หลักฝ่ายเถรวาตรเราไม่มีนั่นเป็นฝายมหาเหยานเถวาัไม่มีพุทธเจ้าปริพานธ์ดับขันปริพาน์ไปแล้วไม่เหลือไม่มีไม่มีพุทธเป็นรูปธรรมอีกแล้วเหลือแต่นามธรรมที่พุทเจ้าล้างว่าเมื่อเราปริพันธ์แล้วสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านน้ายก็คือพระธรรมมีไหนที่เราสั่งสอนไว้ พระธรรมทั้งหลายที่เราบัญญัติไว้วินัยที่ทําเราบัญญัติไว้นั่นจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านทั้งหลายแทนเราเมื่อเราปรฏิภานแล้วจะไปเอ า, เาตัวเป็นโตตนไม่ได้ยังที่ถือรูปทำฝ่ายมหายาณจะสมมติโลกขึ้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอีกองหนึ่งอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ที่แดนสุเดชสุ ข, ขาวดีนู่น พ, พุทธเจ้าองค์นั้นอยู่นั้นนะผู้ที่เข้าในมิตรภาวนาเห็นได้กับ เขานิมิตได้เศษต่าไปไหว้ครับใช้เจ้าาที่สุขาวดีเนี่ยบางทีไปใส่บาตรที่ท่านท่านที่นู่นว่ากันเป็นตุกเป็นตะไปก็เป็นเป็นเพ็นภาพนิมิตไอ้หนึ่งต่างๆนั้นยั้นที่ภาวนาสามารถทําใจให้เกิดสมาธิสมาธิแล้วคือสามารถมีมิปัสนายานแยกแยะว่าคืนนี่คือกายนี้คือใจแยกแยะได้ดีแล้วท่านจะไม่มีความสงสัยในเสร็จแล้อีกต่อไป แราไม่มีอะไรสิ่งนั้นอีกเข้าถึงธรรมะใจเข้าถึงธรรมะจริงๆด้วยดัยงนั้นพวกเราที่เราเพื่อปฏิบัติเป็นประจำกันทุกวันนี้เราทําเราให้ทานก็เป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำโดยเฉพาะก็เอาไหว้พระพอนุ่นนั่งภาวนาให้การภาวนาพุโทโธพุโทโธเราอย่าไปถือเป็นของเล่นคาถาที่ก็เป็นคาถาหน่หอยหนพุโทพโธวุทโธเลยแต่ว่าคาถาพุโทพโธวุทโธมันไม่วิปลาสไม่มีป ร, ริต แต่ว่าพุทโธพุทโธแล้วเต็มอัตตาแล้วใจจะสงบลงเป็นสมาธิเลยพอทามากบางครั้งบางคาบางคนเนี่ยทำพุทโธพุทโธแบบเวลามันยังรู้บวับวงไปเลยไม่รู้สึกตัวเองวู้บลงไปอาการที่สงบลงไม่ว่าตกลงสุภาพังบางคนเมื่อเกี่ยวพุทโธพุทโธดีๆเลยวุ้บลงไปเนี่ยเหมือนกับจะหลับแต่มันไม่ใช่หลับมันตกลงสุภาพังวุ้เพราะตกลงไปแล้วมันจะรู้สึกตัวเอง เขาตรงลงสู่ผังเขาแล้ว็ขาจะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกอ๋อเนี่ใจรู้จักใจเน่ยโอ้โหดีแต่ว่าถ้าเวลาเราร์รบลงมมันมันดับมันลืมเลยต่างกันอนยะ่างนั้นถ้าจะใจสงบลงผังเวิรบลงไปตกลงสุู่วังเข้าสู่ฐานแต่นักเก็จะรู้สึกจิตตัวเองขึ้นมานี่โอ้นี่ใจเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอรู้ปอกมันเป็นรู้หลับมันไม่เป็นอย่างนั้นวิรบแล้วก็ลืมตัวไปหมดเลยมันใช้ไม่ได้ ถ้ามันพูดใดมันเป็นอย่างนั้นให้แก้ไขดึงใจขึ้นมาเอาไหมเอาไหมนึกพุทโธไว้ทุกอารีบทในขณะที่เรามีเราว่ามันจะเป็นได้ทุกอารีบทขณะเรานั่งมันเป็นก็มีบางทีนั่งไม่เป็นบางทีเดินเป็นก็มีบางทีกระทบกับอารมณ์อันใดหนึ่งก็ใจย้อนกอดปุ๊บสงบได้ก็มีบางทีถึงข่าวมีเหตุอันตรายที่อาจจะถึง เวลาสุดท้ายถึงเวลาโอ้มีเหตุการณ์อันตรายาต่างๆที่จะถึงวาลาสุดท้ายที่เราจะต้องตายเนอะเมื่อถึงบุดอนจิตใจสงบปุ๊บถึงพระพุทธประธรรมแท้ทของได้เลยนั่นเป็นที่พึ่งอย่างแน่นอนที่สุดบางคนเมื่อเกิดเหตุอย่างนั้นจึงเป็นที่มันเป็นอย่างนั้นกระเพาะเราเคยฝึกเนะถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เป็นหรอกแต่บางครัง้งบางข่าวมันมีนิทานหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่อง อันตรานี่พราพุทธองค์ขโมยสังโคไม่เอามีแต่แก่กําหนดไปค่าไปขายกับเขามีหลายคนถูกจีจีโจนมันจะมาป้อนเขาหน่ะคเขายิงปังปังโรงพยาบาลอะไรก็มุกเลยนึกถึงลูกถึงเมียเขนเลยว่าออกปากวาคุณขอคนลูกจงคุมครองขอคนเมียจะคุ้มครองอ่ะบ้านทั้งคุณพ่อคุณลูกคนเมียคุ้มครองอย่นั้นแหละแทนที่คุณ อ้อนวอนกับคุณพระุธปฏิปมปางสงเลยเอาเพราะว่าแกห่วงลูกของเมียแกนะก็เลยปรากฏอ่ะขอให้คนลูกคุ้มครองใหาไว้ใจขอให้คุณเมียลูกของแล้วบนสุดท้ายก็เอ๊ะขังเหมือนกันแฮะมวโจรมันก็ไม่มาทํำตลายดแต่ว่าคุ้มครองไวใจมันไม่สงบอะแต่มันก็ขังเหมือนกันนั่นนะจากนั้นเราเอาคุณพระุธปฏิปมปางสงนะถ้าพุทโธพุธนะใจมันจะลงสู่ความสงบ ลงสู่พระวังได้มันไม่อยู่นอก อ, ะอ่ะเรียกว่าพระใจส ง, งบเราก็เรียกเข้าถึงธรรมเมื่อธรรมมาเกิดขึ้นแล้วก็พระพุทธพระธรรมประสงค์พร้อมเลยทีเนี่ยคุมของใจได้เลยทีเนี่ยของของอันตรายต่างๆได้นไม่ใช่เป็นของยากแต่ว่าต้องอาศัยความพยายามทําอยู่บ่อยๆทำอยู่มันด้วยมันก็นจะเป็น ไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากมายถ้าเราทำมันเป็นแล้วนะตอนนี้ไปตั้งแก๊สก่อน